ร้ายการดีมิสาระ 89.5 Megahertz วิทยุราชมุงคนถูกคำวันสุดพบกับคุณกะนิดใน RMUT Society สวัสดีค่ะคุณ RMUT Society ค่ะพบกับดิฉันคุณกนิษฐ์ FM 89.5 MHz นะคะคะส่งวันสุขแบบนี้ค่ะเสียง เรียกว่าเป็นๆของใครหลายๆคนบางคนมันสาวอาจจะๆค่อยๆๆค่อยๆขับ 89.5 เมกะเฮิรตซ์อยู่เพื่อน เช่นเคยค่ะวันนี้เป็นเรื่องราวของ 2,170 คนนน10 นะคะก็ระบุว่าประเทศไทยนั้นมีความรู้เกี่ยวกับอาเซียนอยู่ในอันดับสุดท้ายสมาคมอาเซียนเนี่ยน้อยมากอ่ะนะคะโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่อง ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีนะคะก็มี การที่จะพัฒนาให้นักศึกษามีความรู้ความ ค่ะคุณผู้ฟังคะทางรายการของเราค่ะชัยมงคลซึ่งท่านดํารงตําแหน่งเป็นรองคณบดีค่ะอาจารย์ อยากจะให้อาจารย์ได้พูดถึงเรื่องนี้ว่าๆว่าเป็น เอ่อจะมีประเทศสมาชิกในอาเซียน 10 ประเทศนะคะซึ่งก็อยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มาเลเซียฟิลิปปินส์สิงคโปร์ไทยบรูไนเวียดนามลาวพม่าแล้วค่ะนะคือประชาคม ค่ะค่ะเอเชียตะวันออกเชียงใต้ค่ะเอเชียตะวันอาจารย์อ๋อค่ะนะคะก็นิด 2558 เนี่ยนะ ตรงนี้ปุ๊บเนี่ยมันก็แล้วก็จะมีการเปิดเสรีการค้าบริการทางด้านการศึกษานะก็จะอาจจะส่ง พร้อมที่จะรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นนะจากการรวมตัวเป็นเอ่อ <นะคะ. S 2> คนที่อยู่ในแถบเอ่อเอเชียเนี่ยจะสามารถไปใช่มั้ยคะค่ะโดยที่เมื่อก่อนนี้อ่ะค่ะเอ่อเมื่อก่อนนี้ก็คือ 58 เนี่ย เอ่อเสรีด้านการด้านสินค้าเสรีด้านบริการเพราะฉะนั้นเอ่อเกิดการเคลื่อนย้าย อาจจะต้องไปทํางานร่วมกับค่ะค่ะคือจะสะดวกมากขึ้นค่ะก็ถ้ามองในแง่ของเอ่อการ เอ่อในของประเทศไทยอาจจะเป็นบริษัทข้ามชาติอาจจะเป็นบริษัทจีนๆนะคะค่ะ อาจารย์คะเอ่อจากงานวิจัยอันนี้ได้ข้อมูล 10 ประเทศแล้ว <Okay. S 1> มีความรู้เกี่ยวกับอาเซียนอยู่อันดับท้าย 2510 นะคะ เอ่อพอรู้เรื่องนี้ปุ๊บเนี่ยว่าเออผลการวิจัยออกมาอย่างงี้เราก็ต้องเตรียมค่ะ AEC คืออะไรนะรวมแล้วเอ่อพัฒนาบุคลากรของเราโดยเฉพาะอาจารย์น่ะค่ะ ถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยเอ่อเราจะต้องทําอะไรนะคะซึ่งตรงนี้ของ บุคลากรตอนนี้เนี่ยก็จะ เรื่องการเรียนการสอนเพราะว่าตอนนี้เราก็มี 3 เนี่ยค่ะเป็น อาจารย์ค่ะแล้วในส่วนของคณะบริหารธุรกิจเองที่อาจารย์ได้ดูแลอยู่ล่ะคะ คณกิจต่างๆว่าเออเราต้องพัฒนาอาจารย์ให้สูงระดับสากลเพราะ ตรงนี้ 9 โครงการเปิดประตูการค้าการลาวเวียดนามนะเส้นอีสเวสต์อิโคโนมิกคอริโดร์นะคะก็คือ mm hmm. 9 ที่เราวิ่งจากมุกดาหาร เอ่อประเทศในอาเซียนด้วยกันอย่างเช่นเราก็มีโครงการจีนเนี่ยนะคะมีการแลกเปลี่ยนนักศึกษาจีนมานะคะ ค่ะแล้วก็มีอาจารย์จีนสอนภาษาอย่างเงี้ยค่ะของมหาวิทยาลัยกับอาเซียนใช่มั้ยคะมีการแลกเปลี่ยน ใช่ค่ะคณะต้องพยายามผลักดันเพราะ 1 ใชตัวอาจารย์ก็ต้องได้นะคะ 2 นักศึกษาเองเนี่ยนะคะก็ต้องได้เพราะ 3 อ่ะค่ะตรงนี้ก็เป็นทั้งเรื่องให้เค้าสามารถ ลองเรียกว่ามีการตั้งรับรับมือกับเรื่องนี้เนี่ย ค่ะก็ณตอนนี้เนี่ยนะคะก็ AEC เพราะฉะนั้นในตรงนี้เนี่ยๆมัน เราจะต้องมีการเอ่อรับรู้ในเรื่องของ สามารถที่จะรู้การเปลี่ยนค่ะก็ลอง 58 เนี่ยค่ะค่ะก็อีกอีกไม่ เพื่อให้ได้ก้าวอาจารย์ค่ะใช่ๆนะคะลูกศิษย์เราต้องต้อง เอ่อการเปิดเสรีอาเซียนตรงนี้เนี่ยนะระดับเอ่ออุดมศึกษานั้นเนี่ยนะคะ<ใช> นะหรือว่าเรียนเป็นศักดิ์สุขภาษาอังกฤษเพราะฉะนั้น สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นตรงนี้คือสิ่งที่เราได้นะเราได้เตรียมความพร้อมได้ ของประชาคมอาเซียนเนี่ยได้อย่างค่ะค่ะก็อยากจะฝากถึงนักศึกษา<ค> อัน AEC เนี่ยนะคะแล้วก็รวมทั้งการทะยานที่จะมีการเปิดสอนภาษาอังกฤษให้เด็กนะคะหรือว่าภาษาจีนหรือแล้วแต่ AEC มากนะ ศึกษาเนี่ยนะก็ 2558 แน่ ค่ะนะคะวันนี้ก็เรียกว่าเราได้ความรู้แล้วก็ i Society ในวันนี้ค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณ ค่ะคุณผู้ฟังคะถ้าหากว่าคุณผู้ฟังๆของทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรีด้วยได้อ่ะนะคะอย่างค่ะรวมๆด้วยคุณค่ะคุณผู้ Society ที่ก็หมดลงแล้วค่ะสําหรับแห่งทั้ง 9 แห่งอ่ะนะคะมา 89.5 เมกะเฮิรตซ์วิทยุราชมงคลค่ําใน RMUT Society